วันนี้เป็นวันที่ย5ห้าธันวาคมพุทธศักราช25ัห้าอสาอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เป็นวันปีใหม่สากลคือวันที่หนึ่งมกราห้สี่ในช่วงนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาถึงเดือนธันวาหลวงพ่อเองก็ไปไปมามา ไม่ค่อยได้อยู่วัดอย่างพวกคณะธาตาญาติรวมลูกหลานได้เห็นเพราะมีความจำเป็นบางทีก็ไปไม่ใช่บางทีแหละคือจุดใหญ่ก็คือไปเฝ้าอาการอาพาธขององค์หลวงตาพราเราในฐานะลกูกเมื่อพ่อมีความจำเป็นอุปสรรคท่านก็ไม่ได้ เ, เรียกร้องอะไรจากเราหรอกแต่เราเป็นหน้าที่ หน้าที่คือต้องแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อผู้มีอุปการะคุณที่หลวงพ่อได้ย้ำแล้วพูดอีกว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กาเนิดร่างกายของพวกเราจากนั้นก็ให้ความรู้บ้างเป็นเครื่องประดับลึกติดตัวแนะนำสั่งสอนเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อน ส่วนครูบาอาจารย์ท่านให้ธรรมะแนวทางปฏิบัติสินสมาธิปัญญาจากนั้นท่านสอนถึงความหลุดพ้นจากอาสวักิเลได้อันนั้นคือท่านให้ใความรู้ทางด้านธรรมะคือนามธรรมทั้งสองบุพภการีนี้ถ้าจะว่าไปแล้วบุพภการีหลังคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เป็นบุพการีที่เหนือกว่าบุพการีที่พ่อแม่ให้กำเนิดให้พวกเราเกิดมาเพราะเหตุไรเพราะพวกเราเกิดมาแล้วถ้าว่าไม่ได้รับธรรมะทำคำสอนที่ถูกต้องพวกเราก็ลุ่มหลงมัวเมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าว่าพวกเราได้รับธรรมคำสอนที่ถูกต้องตามแนวแถวที่ ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนพวกเราก็จะได้เดินตามแนวแถวนั้นพวกเราก็จะแหวกวหายหรือว่ารัดวงจรออกจากวัตวนคือไม่วกบนเวียนอยู่ในวัฏสงสารกระเด็นกระดอน เ, อเข้าสู่แดนอวากาศของธรรมคือไม่บนไม่เหมือนกับอะไรมดไตยอยู่ในขอบกะลำมังอยางไงน่นะ แต่ถ้าว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะพวกเราจะอยู่ในขอบกระมังว่าใหม่อยู่เรื่อยแต่ตามจริงมันก็วกวนเวียนอยู่เดินทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติถ้าไม่ออกจากขอบกระมังแล้วก็อยู่อยู่อย่างนั้นแต่ตอนนี้ธรรมะทำคําสอนของพระพทุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติธปฏิบัติปาก่อนพวกเราท่านก็บอกว่าเนี่ย ถ้าเราวกปนเวียนอยู่ในขอบกรมังเนี่ยไม่มีที่สิ้นจุดเดินอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราควรจะออกจากขอบกรมังจะออกด้วยวิธีอย่างไรเนี่ยอันนี้ต้องศึกษาแหละใช่ไหมอหมภาะการที่จะออกออกจากขอบกระมังเนี่ยไม่ใช่ของง่ายหมดที่จะออกจากขอบกลมังมันจะออกได้อย่างไรบางทีมันต้องฝืนจิตฝืนใจฝืนความรู้สึกอย่างมากที่จะกระโดดออกจากขอบกรมัง ไปอีกมิติหนึ่งเพราะนั้นนี่ต้องศึกษาเพราะนั้นจึงถือว่าทําคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงถือว่าเป็นผู้มีอุปการคุณต่อผู้หวังพ้นทุกข์เป็นอย่างมากเพราะนั้นที่หลวงพ่อเข้าไปกราบพระก็คือองค์หลวงตาในท่านเป็นผู้แนะนําสั่งสอนสิทธิอนุสิท์ทั้งหลายรวมทั้งหลวงพ่อด้วยก็เป็น ได้หูแจ้งตาสว่างหรือว่าได้รู้แนวธรรมะในภาคปฏิบัติวิธีเดินสมาธิเดินยังไงวิธีเดินปัญญาเดินอย่างไรบรรดาศิษย์ทั้งหลายเพราะนั้นถึงคราวท่านอาพาธเราก็ต้องเข้าไปช่วยกันดูคนและจิตคนและใจคนละแนวความคิดยังไงจึงจะเชิดชูบูชาในองค์ท่านได้ เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้เข้าๆออกๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเรื่องห่วงวัดวาศาสานาหลวงพ่อก็ห่วงเหมือนกันห่วงพระห่วงเนนห่วงญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องแต่ถึงอย่างไงจุดใหญ่ที่พวกเราที่หลวงพ่อเป็นจุดที่จะต้องดูจะต้องแลจะต้องรับผิดชอบในช่วงนี้ก็คือเข้าไปดูองค์หลวงตาก่อน พวกเราเรื่องพวกเราค่อยว่ากาันทีหลังตัวนั้นหลวงพ่อจึงได้ออกหรือว่าได้เข้าไปอย่างวันนี้ก็เหมือนกันมาเมื่อวานวันก่อนก็มาเพื่อลาศิกขาพระที่บวชโครงการเสริจพระชนพระพันสาที่ทางจังหวัดอุดรทางท่านพี่ภากษาทางกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้จัดพิธีกรรม ที่เฉลิมพระชนพรรษาแปดสิบสามพระพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบวชเมื่อวันที่สองธันวาคมพุทธศักราชสองพัห้าร้อห้าสิบสามกราสิกาเมื่อวันที่ยี่สบสี่เมื่อวานนี้ตอนเช้าทั้งหมดที่ลาสิกาเมื่อเช้านี่ก็สิบสี่สิบสี่พระอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการลาสิกาเมื่อวานนี้ อันนี้ก็คือหลวงพ่อก็ได้กลับมาจากวัดปาบันตาแต่ว่าเป็นห่วงอยู่ก็ได้ติดต่อประสานงานถามข่าวข่าวก่อเมื่อคืนก็รู้สึกว่ามีอาการไข้ลักษณะเป็นไข้แต่ก็สงสัยว่าเป็นไข้หวัดปอดติดเชื้อแล้วก็ส่วนอื่นก็มีอยู่บ้างแต่ส่วนอื่น ชวนหัวใจอะไรลักษณะอย่างนั้นนที่แพทย์เขาว่ากัปกติไม่มีอะไรแต่ก็ท่านก็ยังว่าอายุของท่านเก้าสิบแปดปีแล้วอายุลุงตาน่าเก้าสิบแปดปีแปลว่าแก่ห่มมากแล้วแต่ว่าเรื่องท่านรู้รู้เรื่องหมดทุกอย่างที่ท่านที่เราจะถามอะไรท่านจะรู้หมดทุกอย่างตอบได้ทุกคําถามเพ้เผ้อยังดุดา อีกต่างหากแสดงความแข็งแกร่งและความแสดงความเด็ดเดี่ยวในองค์หลวงตานั้นหลวงพ่อเห็นแล้วเลิศประเสริฐมากๆคือไม่ย่อท้ อ, อไม่อ่อนแอพอลุกได้ลุกอพอไปได้ไปสิ่งไหนที่ไม่ถูกตามหลักธรรม่ินัยเรยกว่ามันเกินไปปฏิเสธไม่เอา อย่างพวกเราท่านทั้งหลายข อ, อนนมนไปขอลงตาไปเอ็กเลคอมพิวเตอร์ก็ับผมไม่ไม่เอาพอแล้วอย่างข อ, อนนมนองหลวงตาไปนอนโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจสุขภาพไม่ไม่เอาคล้ายๆกับว่าท่านเป็นผู้นำในยุคนี้สมัยนี้เป็นพระกรรมฐานเป็นลูกศิษย์สายของหลวงปู่มั่นท่านจะเป็นแนว คล้ายๆว่าเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้สแสดงความเด็ดเดี่ยวให้แก่ศิกยานุสิธิ์ดูแต่เห็นแล้วก็โอ้ผู้ที่จะทำได้อย่างท่านนั้นไม่ใช่ธรรมดาที่หลวงพ่อไปดูดูอย่างดูอย่างใกล้ชิดแล้วเป็นอัจฉริยะจริงๆพร้อมที่จะปฏิเสธพร้อมที่จะพิจรารณานด้วยเหตุและผลถึงอายุขนาดนั้นก็เถอะ ไม่ใช่ธรรมดา่เข้าไปใกล้แล้วถ้าว่าทำอะไรที่มันไม่ถูกเนี่ยท่านจะดูตาว่าเก่าวดูได้สแสดงความเห็นไม่ไมพอใจให้แก่ผู้ที่เขาอยู่ใกล้ได้เห็นแล้วลวงตาในท่านเป็นผู้นำทางจิตใจเร่องว่าความเข้มแข็ง หาได้ยากพูดอย่างนั้นได้เนี่ยวันนี้หลวงพ่อเองก็คงจะจัดจังหวันเสลิฐแล้วก็คงจะรีบออกไปไปอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกล น, นครงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แฟบเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาก็นิมนต์มาหลวงพ่อขอนิมนต์องค์อนิมนต์หลวงพ่อไปแสดงธรรมวันนี้ตอนบ่ายสองโมงแล้วก็ บ่ายสี่โมงก็คงจะมีการประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อก็ได้รับเพราะนั้นวันนี้ก็คงจะไปในงานแสดงธรรมเสร็จจะปล่อยแล้วหลวงพ่อก็คงจะเข้าวัดป่าบ้านตาดนี่แหละขอให้คณะสัตยาธิรมรูกหลานพระเนรทุกองค์ที่หลวงพ่อไม่ได้มาอยู่วัดเนี่ยคคือทาหน้าที่นาทาหน้าที่ลูกทาหน้าที่ลูกที่ดูแลพ่อ เมื่อพ่อแม่มีอุปสรรคมีเรื่องราวที่จะต้องดูแลเราอย่าไปทิ้งให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งเว้นเสียแต่ว่าเข้าไปดูแล้วมีคนมากมีคนมากดูแลมากอยู่แล้วแต่เราก็เมื่อดูแลมากเรามีส่วนที่จะร่วมไหมดูแลอาหารการบริโภคดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนได้อย่างไร อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของลูกอีกเหมือนกันจะต้องรับผิดชอบในคู่คนที่มาเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าเออไม่เป็นไรหรอกหลวงตาท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากแล้วล่มีคนมามากแล้วออไม่ต้องไปยุ่งท่านไปยุ่งท่านทำไมใ ห, ให้ท่านอยู่แบบสบายอิสระของท่านแต่ถ้าว่าทุกคนคิดอย่างที่พูดเนี่ยนะทุกคนคิดอย่างนี้คนนั้นก็พูดคนนี้นก็พูดอย่างนี้ แล้วจะใครจะเข้าไปแต่ว่าผูดด้ใดเข้าไปก็แสดงว่าคนนั้นอยากจะได้หน้าอยากจะ ไ, ได้ตาอย่างนั้นใช่ไหมตัวเองเป็นผู้พูดเป็นผู้ฉลาดเฉลียวฉลาดเป็นผู้เด็ดเดี่ยวอาถานอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าทําหน้าที่ลูกไม่สมบูรณ์ปล่อยปะละเลยให้แก่คนอื่นเขาทำํำแต่เมื่อท่านอยู่ดีมีสุขเราก็ไปกราบไปไหว้ท่านเพื่อ เราฟังธรรมะธรรมเทศนาของท่านแต่พอเมื่อท่านทุกพลภาพหรือว่าร่างกายของท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็พูดอย่างนั้นไปซะทุกคนพูดอย่างนั้นคิดดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเพราะนั้นลูกคือหน้าที่ของทุกคนอย่างพ่อแม่ของเรามีลูกหกเจ็ดคนพ่อแม่ก็จะต้องอยู่บางทีก็อยู่กับลูกคนจุดท้องอย่างนี้ไอ้พวกพี่ๆกับโอ้ยไม่เป็นไรหรอก ลูกสุดท้องมันมีมรดกพ่อแม่ก็มอบให้ที่น้าก็อยู่กับมันแล้วละ่ะพ่อแม่ก็อยู่กับคนเนี้แต่คนเดียว เ, ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยละ่ะรับภาระพ่อแม่ไม่ใช่ของเบานะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ธรรมดาก็ไม่เป็นไรแต่พี่น้องไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจปล่อยให้น้องคนเดียวเป็นผู้รับพี่ๆทั้งหลายลอยตัวไปหมด อันนี้ถูกต้องไหมเราต้องคิดดูให้ดีตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าเราได้มาจากใครเราได้มาจากพ่อจากแม่ใช่ไหมอันนี้ก็คือมรดกก้อนใหญ่ของพ่อแม่ที่มอบให้แล้วเมื่อเราได้มรดกจากท่านแล้วท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเมื่อท่านมีความจําเป็นแล้วก็ปล่อยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเป็นธรรมไหมถูกต้องไหม ถ้าว่านักปราดบัณฑิตทั้งหลายเขาวิเคราะห์ออกมาเขาก็บอกว่าเป็นผู้ไม่รู้จักบุญคุณบิดามารดาไม่มีความกตัญญูตวเวทิตาต่อบุพกากีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนถ้าบัณฑิตนักปราดเขาวิเคราะห์ออกมาเขาจะต้องพูดอย่างนั้นเว้นเสียแต่ภาแลชนด้วยกันก็คงจะพูดเอาเข้อข้างตัวเองอีกอย่างเก่านั่นแหละเพราะนานาจิตังนานาทัศนะ เพราะนั้นเราจะเชื่อฝ่ายไหนเราจะเชื่อฝ่ายพรารชนหรือจอเชื่อฝ่ายบัณฑิตนักปราดถ้าเชื่อฝ่ายบัณฑิตนักปราศแล้วพวกเราก็จะต้องคิดดูให้ดีให้รอบคอบพ่อแม่ของพวกเราเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องมองดูในขณะเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นอันนี้เรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์บอกกล่าวพวกเราก็คงจะเฉยเฉยไม่ได้สนใจแต่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพวกเราก็ควรจะนำไปคิดนำไปพิจารณาไตรตรองเหตุและผลว่าเป็นจริงไหมที่กล่าวทั้งหมดนี้สรุปแล้วก็คือมัณฑิตนักปราดเขาท่านกล่าวไว้เป็นความจริงแต่พวกเราในะใช้กิเลสโลภโกรธหลงเข้ามาขวางเท่านั้นเองจึงไม่เห็นด้วย แต่ถ้าใช้หลักทรรำคาสอนที่เป็นธรรมมาพิจารณาไตรตองเหตุและผลแล้วท่านพูดถูกเพราะสมบัติที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเนี่ยเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อแม่ก่อนที่พวกเราจะใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้พ่อแม่ทนุถนอมเลี้ยงดูเราขนาดไหนเป็นทุกข์เป็นร้อนกับพวกเรามากขนาดไหนพวกเราจึงได้ เป็นตัวตนขึ้นมาขนาดนี้แต่เมื่อท่านทุกพลภาพร่างกายท่านช่วยตนเองไม่ได้แต่ทำไมพวกเราจึงปล่อยปะละเลยถูกต้องแล้วเหรอถ้าว่าพวกเราใช้ธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบัรทัดฐานและเป็นมาตรฐานแล้วพวกเราจะต้องตำหนิดได้ว่าเราทาไม่ถูกถ้าเราไม่ได้ไปดูแล พระพุทธเจ้าเองท่านก็ทำเป็นตัวอย่างเมื่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าจุดโททนะทรงประสวนหนักพระองค์ก็เข้าไปในห้องบรรทมแล้วก็ไปแสดงธรรมไปพูดธรรมะให้ฟังจนจนถึงพระเจ้าจุดโททนะได้สำเร็จเป็นพระอรหันในขณะในห้องบรรทมโจนที่ตอนที่จะมรณาภาพท่านก็ได้ปรินิพานคือพระอรหันนี่ท่านบอกปรินิพาน แต่ไม่ใช่ว่ามรณะภาพธรรมดาพระเจ้าชุดโธปริณิพานให้ข้าวถึงจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จริงแต่ใจของท่านหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสกับพระสาวกพระองค์บอกว่าเราได้ส่งพระบิดาข้ามฝั่งไปแล้วนั่นคือฝั่งพระนิพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้ว น, นี้คือพุทธะแต่ พระมารดาของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าจงประสูตรได้เจ็ดวันพระมารดาก็สวรรคตก็ไปเป็นเทวบุทอยู่บนสวรรค์ชั้นทุสิตพระพุทธองค์ได้ประกาศได้ตัดสรู้ธรรมประกาศพระศาสนาพอสมควรและพระองค์พันสาหนึ่งพระองค์ก็ได้ขึ้นไปจำมันสาอยู่ชั้นดาวดึงพมารดาของท่านลงมาฟัง พระธรรมเทศนาอยู่ชั้นพระอิญญ์ชั้นดาวดันหนึงพระองค์ก็ได้แสดงพระอภิธรรมไต่พรรษาตลอดพรรษาในพรรานั้นนี่แหละพระพุทธองค์ไม่ได้ปล่อยปละละเลยในพระคุณของบิดามารดาของพระองค์พระองค์ทําหน้าที่สมบูรณ์ที่สุดนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะท่านพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาจากพ่อแม่ใดก็ตามเกิดมาจากครูบาอาจารย์ใดก็ตาม พวกเราควรจะสํานึกคิดไว้ในใจเสมออไม่ควรจะประมาทไม่ควรจะปล่อยปลันละเลยในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องด้วยความเฉยเมยและความไม่ใส่ใจของตนเองควรจะใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์สรุปแล้วก็คือให้ใช้หลักเหตุผลอ หลักเหตุผลนํามาประพฤติปฏิบัติพวกเราจะทําถูกต้องทุกอย่างท่านใช้หลักกิเลสโลภโกรธหลงเข้ามาสู่จิตสู่ใจแล้วไม่มีที่สิ้นสุดถ้าใช้หลักเหตุผลทําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับแล้วนะ่ะเราจะมองเห็นดีเห็นชั่วบาปปุลคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะลูกหลานทุกองค์นะจาตโยมทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นแนวความคิด ให้พวกเรานำไปคิดนำไปพิจารณาตรายตองดูจริงไหมต่อนนี้ไปรับผ่อนอนุโมทนาให้ผ่อน